ด่าท่านพุทธบริสัทธ์นั้นหลายได้พากันสมาทาธพรพัดนาตรัยแล้วสำหรับวันนี้ก็อจกขอพูดเรื่องอนุโลมและปฏิโลมเพราะว่าย้อนถอยหลังไปตั้งแต่ต้นถึงอนาคามีเพื่อเป็นการสำรวจจิตอีการปฏิบัติเรื่องสมานิเขาต้องปฏิบัติเป็นแบบนี้ ว่าสําหรับวันนี้หรือขณะนี้เราทําถึงอะไรวันต่อไปที่จะทําทต่อก็ต้องตรวจจิตเสียก่อนว่ารมเดิมที่เราปฏิบัติมันทรงอยู่หรือเปล่าหรือว่าการปฏิบัติเก้าสูงขึ้นไปก็ต้องกลับหลังมาดูใหม่ถอยหน้าถอยหลังสำรวจอารมจิตว่าจิตที่เราปฏิบัติมาแล้วมันมีความบริสุทธิ์ตามลําดับตามสังขรหรือไม่ หรือว่ามีข้อใดข้อหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งที่เรายังบุกร้องอยู่จะได้ปรับปรุงอารมณ์จิตให้มันดีให้สะอาดสม่ำเสมอคนจะผลที่จะพึงได้เมื่อคืนที่แล้วเราได้พูดกันถึงอนนาคามีผลตอนนี้ก็กลับมาย้อนถึงต้นว่ากําลังจิตของเราที่จะปฏิบัติเขถึงมากผล อันดับต้นเราก็มาดูโซดาปฏิผลกันก่อนนี่ต้องย้อนหลังก็มาดูเสมอๆวิธีที่เขาปฏิบัติได้ดีกันจริงๆถ้าปฏิบัติขึ้นไปถึงไหนก็ตามแม้แต่ฌานโลกีอันดับแรกเขาต้องคุมอารมณ์ตั้งแต่ต้นเขาไปถึงระดับปลายอย่างเช่นลราปฏิบัติมาถึงฌานสี่ แต่เวลาเข้าสมาธิจริงๆเขาจับในชานหนึ่งสองสามสี่ตาดับเมื่อชานสี่ทรงได้ตามปกติถ้าเราจะปฏิบัติในรูปฌานก็ต่อจากจุดนั้นขึ้นไปไม่ใช่มาอยู่ๆก็จับปลายมือึ้นเลยทีเดียวดีไม่ดีปลายก็ไม่ได้ท้ายก็ต้นกับเสียปลายก็ไม่ได้ <c oughs> นี่ต้องถอยหน้าถอยหลังก็เป็นปกติ นี่วันที่แล้วเราพูดเราฟังกันมาถึงอารมณ์ก็อนาคามีความจริงก็ฟังกันมาหลายวันก็จะไปถึงจุดนี้วันนี้เราก็มาฟังตอนต้นสำรวจจิตดูว่าเรายังมีอารมณ์บกพร่องในอันดับไหนสำหรับพระโสดาพริผลพระพุทธเจ้าบอกว่า ต้องตัดสังโยคได้สามสำหรับสังโยคข้อหนึ่งได้แค่เล็กน้อยเพื <c oughs> ่อส ก, กายาติติมาถึงว่าพิจารณาเห็นว่าสภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอารมณ์ที่จะทรงในจุดนี้จริงๆก็คือพระอรหันต์สำหรับพระโสดาบันจะมีความรู้สึกท่าบนบอกว่าพระโสดาบันนี่ มีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยเท่านั้นไม่มากแต่ว่าปะโซดากับสกิทาคามีอยู่ในเขตวรอาทิตศีนสิกขาจำไว้ดีนี่ท่านบอกว่าปะโซดากับสกิทาคามีมีอาทิตศีนสิกขาเป็นสำคัญหมายความว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีล ฉะนั้นถ้าป็นในฐานะที่เป็นผู้บริบูรณ์ได้สีนี้เลาจะเห็นว่าสมาธิไม่ไม่หนักหนานักปัญญาก็จะไม่ก้าวมากเกินไปเป็นได้เพียงว่ารู้ว่าเราจะต้องตายความตายมีแน่พระสนดามีความยึดมัน่นไม่แปรฝันมีความรู้สึกตัวอยู่ว่าเราจะต้องตายแน่ ดังนั้นในเมื่อรู้ว่าตัวจะต้องตายจะไม่มีความประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายได้เราจะตายไปแลกความสุขที่เพึงมีก็ใส่พุดธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังคานุสติกรรมฐานคือมีความยึดมัน่นยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างจริงจัง ในเมื่อนักทีพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ต้องปฏิบัติตนเพื่อการนำบาบภูมนั่นคือทรงศีลห้าบริสุทธ์สำหรับครวัตสำหรับยิสุสั ม, มนเน็งก็มีิีลของตัวต้องรักษาให้บริสุทธิ์ไม่ปรารกเรื่องการแสดงอาวัตคือเป็นผู้ไม่มีอาัตจะแสดงและก็มีผนิพานเป็นอารมณ์ การที่จะมีสินบริสุทธิ์ได้การมีสินบริสุทธิ์จิบควบคุมสินไปนอารมณ์เรียกว่าสีลานสติกรมรรคฐานนี่การที่จะมีสินบริสุทธิ์ได้จริงๆไม่ใช่อยู่ๆก็จะมารักษาสินกันเฉยๆเมื่อสมาทานสินกันเฉยๆไม่มีกำลังธรรมะตนเองเขาควบคุมสินทรงตัวอยู่ไม่ได้ นี่ธรรมะที่จะครอบคุณงสมสินญาได้จริงๆก็คือพรห ม, มีหาร ส, สีนี่เราก็พิจารณาว่าพรห ม, มีหารสีกาเรามีครบถ้วนไหมถ้ามีพรห ม, มีหารสีครบถ้วนสินเราก็บริสุทธิ์สมาธิก็สรงตัวนี่ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติจริงๆเพื่อสินสรงตัวสมาธิสรงตัวอยู่ที่พรห ม, มีหารสี นี่พรมีหารสีนี้ก็เป็นสมถะอันดับหนึ่งที่จะต้องทรงอยู่เป็นประจำและนอกจากนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พรมีหารสีของเราบกร่องแล้วก็ต้องใช้เทวตานุสติกรรมฐานเข้าควบคุมกำลังใจจุดหนึ่งนั่นก็คือฮิลิลโลตปะ ฮิริความอายต่อความชั่วโอตะ ป, ปะเกรงกลัวผลของความชั่วอันนี้เรียกว่าเทวตานุสติแต้าการนึกถึงบริพานเป็นอารมณ์คิดว่าการตายไปแล้วเร่อกว่าความดีที่เราทำทั้งหมดเราไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบัน ไม่หวังผลในการเกิดเป็นเทวดาไม่หวังผลในการเกิดเป็นพรหมสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานอันนี้เรียกว่าอบรมสมาสินี่เรากำลังนั่งเล็กถอยหลังว่าเราศึกษากันมาถึงพระอนาคามีและความจริงสำนักนี้สอนด้วยอรหัตผลมาตั้งตะปีที่แล้ววันนี้เรามาทวนกันใหม่ทวนสายสุขาวิปัสสโกชัด นี่มันนั่งพิจารณาดูจิตของเราว่ามรณาลุสติธรรมฐานเนี่ยเรากําหนดคิดไว้เสมอหรือเปล่าหรือว่าลืมไปหลายหลวันจะมีความรู้สึกเสื่อทีว่าเราอาจะตายกวจริงมรณาลุสตินี่ท่านแนะนําให้มีความรู้สึกไปเสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่คิดว่าจะตายวันน้าวันโน้นไม่ใช่อย่างนั้นคิดว่าเวลานี้เราอาจจะตายให้ใจเข้าแล้วเราอาจจะไม่ได้ให้ใจออกให้ใจออกแล้วอาจจะไม่ได้ให้ใจเข้าความตายมันไม่มีนิมิตเครื่องหมายจะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเมื่อเป็นเด็กตายเมื่อเป็นหนุ่มสาวตายเมื่อแกเอาแน่ไม่ได้ นี่เราคิดถึงความตายกันวันละอี่ครั้งถ้าเราเผอข้อนี้ก็จงเป็นนามใจของเราว่ามันชั่วเกินไปที่ไม่ยอมรับนับถือกฎของความจริงความตายเป็นของธรรมดาเราเห็นกันเป็นปกติคนตายเห็นสัตว์ตายเห็นแต่ว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราจะตายยางนี้ก็แปลว่าเลวเกินไป นี่ใคร่ครวญพิจรารณาจิตของตนแล้วก็มาใคร่ครวญถึงพุทธานุสติธรมานุสติสังฆานุสติว่าเราใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริสสงบางหรือเปล่าในความดีที่ท่านปฏิบัติกันได้มานั้นเรานำสน่วนใดส่วนหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติบางหรือเปล่า ถ้าเราไม่คิดถึงข้อนี้ก็จะประนามใจไปอีกว่าเราเลวเกินไปจะเป็นท้ายของอาปปายาคมต่อมาก็มาพิจรารณาสินว่าเราบกพร่องมัหรืเปล่าถ้าเราบกพร่องก็ชื่อว่าเราเลวเกินไปแล้วอันนี้เรามีนรกเป็นที่ไปแน่นอนถ้าบกพร่องในสิน นี้วก็มองไปดูพมีหารสีซึ่งเป็นจุดหมายจุดกลางที่ทำให้ทุกอย่างทรงตัวว่าเรามีอาการทรงพรมีหานสีหรือเปล่าอีกขอเรามีความรู้สึกว่าเรารักค น, นสัตว์อื่นนอกจากตัวเราเหมือนกับเรารักเราเองก็ได้ฐานะดีเขาทั้งหมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน การประพฤติส้างพลาดตป บ, บ้างเป็นของธรรมดาของปกติชนนั่นถึงแม้ว่าถึงพระอนาคามีก็ยังมีสร้างมีพลาดแต่เป็นอารมณ์ใสเมือ่ออารมณ์เมื่ออาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเพื่อของเราเราเคยมีจิตคิดให้อาภัยเพราะความนักมโนปราบหรือให้อาภัยเพราะการของสายขเขาวันเป็นในฐานะดีเขายังเป็นมีผู้มีความรู้น้อย มีสติไม่มั่นค ง, งมีปัญญาไม่รอบขอบแล้วเราเคยคิดอิจฉาสิสยาบุคนอื่นบ้างไหมหรือว่ากล่าวเสียสีเพ่งโทษเรียกว่าทำให้เขาไม่มีความสุขมีในตัวเราบ้างเปล่ากรรมใดที่เป็นเหตุเกิดมีสยที่พึงโลกจะเจ้าโลกจะพึงหนีได้ เกิดขึ้นกับเราคนดีเพื่อถึงกับเพื่อนก็ดีเดราคลายอารมณ์หวั่นไหวได้หรือเปล่าทําจิตวางเฉยได้ไหมในเมื่อกรรมที่งหลายเหล่านั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพิจารณาตัทษเราว่าการสิบประการนี้มีครบถ้วนหรือว่าบกพร่องคนเราทุกคนที่มีความเดือดร้อนก็าขาดสมวิหารสี่ นี่เป็นดับตนถ้าเอาไว้จิตเราครบทนบ้างก็พร ม, มิหารสีที่ไหนก็ตามมันมีแต่ความเยือกเยน็นมันมีแต่ความสุขสุขทั้งเราแล้วก็สุขทั้งบุคคลที่เนื่องกับเรานนี้เมื่อเราพิจารณาถึงพร ม, มิหารสีว่ามันอาจจะมีบ้างและไม่มีบ้างครบหรือไม่ครบเราก็ไปดูเทวตาโนสติกกรรมฐาน ว่าีรีลา อ, อุตปะไอ้ความอายบาปเพลงกลัวบาปบาปก็คือความชั่วชั่วทางกายโทษทัวทงวาจาโทษชั่วทางใจกายมันไม่ดีพยายามบุญเสษร้ายต่อคนอื่นเขารักทรัพย์เขาละเมิดในกามารงวาจามันไม่ดีชอบพูดรำหยาพวกมดเท็จพดกรำหยาพ่อัเสียดเพื่อเจอเหลวไหล นี่มันไม่ดีประเภตนี้กรรมไม่ดีทุกอย่างกาลังใจก็ไม่กันคอยคิดประทุษร้ายบุคคนอื่นตลอดเวลาเป็นอนุว่าการนังตามที่กล่าวมาแล้วนี่ถ้ามันมีก็สแสดงว่าเราไม่รู้จักความชั่วไม่ไอายความชั่วถ้าเราอายความชั่วเราก็ไม่ทํา กลัวผลความจู่วจะสนองให้เรามีความทุกข์เราก็ไม่พูดนี่การท ห, หลายเหล่านี้มีในจิตเราว่างหรือเปล่าและลมอย่างถึงพระนิพพานเรามีบ้หรือเปล่าคิดถึงพระนิพพานวันละกี่ครั้งนี่เป็นการทบทวนกําลังจิตอันดับต่ําถ้าทําได้อย่างนี้ถือว่าต่ําที่สุดในเขตของพุทธศาสนา เมื่อเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตเคารพพระพุทธประธรรมประสงค์มีศีลห้าบริสุทธ์สำหรับฆราวาสก็นเนองก็เป็นสิ่งของตัวทรงคองมีหารสีเป็นปกติมีหิเลและอัตปาประจําใจก็มีอุปสมานสติกามฐาน น, นึกถึงปริพานเป็นอารมณ์ อารมณ์ถ้าเราทรงได้ขนาดนี้เป็นปกติท่าเรียกกันว่ารโสมาปฏิพลเป็นอารมณ์ที่มีอารมณ์ต่ำที่สุดในด้านของความดีในเขตของพระพุทธศาสนาใครควรดูว่าเราทุกคนใครบ้างบกพร่องจุดไหนบ้างอันนี้ต้องจำไว้นะแค่นี้เยมันต่ำที่สุด ถ้าเรวกว่านี้แล้วมันใช้อะไรไม่ได้เลยเรวกว่านี้เป็นเรื่องของสัตว์ในใบอภูมิถ้าเรามีร่างกายเป็นคนก็เพิ่งคิดว่าเราเป็นคนเทียบได้กับสัตว์นรกตายแล้วเราก็เป็นสัตว์ไปเป็นสัตว์นรกไปไ <c oughs> ม่กลับเป็นคนใหม่ไม่ได้ใจของเราต้องปรนนำไม่เสมอ ญาติท่านลงตนว่าเป็นผู้พิเศษคนไหนมีความรู้สึกตัวว่าเป็นผู้ฉลาดพวกคนนั้นก็คือเป็นคนที่โง่าบัดซบพุบกคนใดพระพุทธเจ้า ก, กล่าวว่ารู้ตัวว่าเป็นผ่านผ่านนี้ก็ไปมองโว่พระพุทธเจ้า ก, กล่าวว่าพุคคนนั้นเป็นบัณฑิตเธอเป็นผู้รู้ อคนที่รู้ตัวผ่านมันจับความชั่วของตัวไว้เสมอเจ้าดูจิตว่าอารมณ์ชั่วไม่นจะเกิดเมื่อไรเมื่อความชั่วมันจะเกิดขึ้นมาในด้านไหนหาทางตัดนี่บัณฑิตมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่เคยมีความรู้สึกตัวว่าเป็นคนดีมองหาความชั่วของตัวให้พบมาหาชั่วพบทำลายความชั่วได้แล้วมันคนดีเอง นี่จัดว่าเป็นความดีอันดับต้นสำหรับคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเพราเราเรียกันอันดับสูงนี่เราไม่จรียไิปาป่าตายแล้วจะไปไหนก็ช่างอันนี้เราไม่ใช่อย่างเร็วที่สุดตายแล้ ว, ลวเราไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรมและมีชาติเกิดจำกัดหนึ่งชาติสามชาติเจ็ชาติเป็นอย่างมากและไม่ลงอบยัยม นี่ศูนย์แห่งการศึกษาเป็นอย่างนี้แล้วในรนดับต่อไปข้าหยับ ก, กำลังใจขึ้นไปนิดว่าสำหรับโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงพระสดาวันยังมีอยู่ไีอยู่ในขอบเขตของสี่ นี่เราทําลายความโลภ้ดยมีจิตเมตตากรุณาสงสารคือมีการให้ทานเป็นปกติเป็นการตัดความตเน้ในจิตความโลภของเราเบาบางรู้บ้างไหมความโกรธเราทำลายเพราะยันน่ายของผอ ม, มีหาร4ีเบาบางลงไปบ้างไหมเรามีจิตเคยคิดให้อภยัยแต่บุบคคลที่มีความผิดที่เราเรียกว่าพยาธิ ไม่ถือโทษโกรธเขานี่นไม่มีความรู้สึกขึ้นว่าเราโกรธเราอาฆาตแต่พอยักยั้งช่างใจทรงใจได้แล้วก็ให้ไปไม่ถือโทษโกรต่อไปอันนี้มีแค่เราหรือเปล่าในความหลงคือมีปัญญาสูงขสันคิดว่าร่างกายนอกจากจะตายแล้วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขมันเป็นสมุทฐานแห่งความทุกข์ที่กำลังมี ถ้าเราหลงไหลายไปฝันมาต้องการร่างกายอย่างนี้อีกเราก็จะพบกับความทุกข์หาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเราต้องการหนีร่างกายคือต้องการไปพุทธิพันธ์ไปพ้นจากวตฏฏะอารมณ์อย่างนี้พองเรามีหรือเปล่านี่เราเรียนผ่านกันมาแล้วถ้าไม่มีก็แสดงว่าจิตของเราเลวไปถ้ามีได้อย่างนี้ทรงเป็นปกติ เขาแสดงว่าเราเข้าถึงความเป็นพระสกิาคารีนี่ต่อไปเราก็พิจนรณาอีกีเมื่อเราศึกษากันมาถึงพระอนาคามีก็เมื่อนัง่งพระอนาคามีเนะี่ยต้องมีอารมณ์จิตเข้มแข็งพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเปรีอบเทียิตาสิกขามีอารมณ์ติดเ ข, ม ข, มมข้มแข็งมากไม่ใช่อ่อนแอ หรือว่าโรมจิตของเราทรงอยู่ในกายยังคตานุสติกรรมฐานก็อสุกกรรมฐานเห็นคนสัตว์วัตถุมีสภาพสกปรกทั้งหมดไม่มีอะไรน่ารักนอกจากสกปรกแล้วแต่ภาพร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีการทรงตัวเป็นเรือนร่างที่จิตจะเข้าอาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันทําลายตัวมันอยู่ตลอดวันไม่ช้ามันก็สลายตัว เราตัดความมัวเมาในเพศเพลินได้ทั้งหมดไม่มีความรู้สึกในเพศอันนี้มีในจิตพองเราหรือยังเรายังบกพ้องก่อนไหนแล้วก็บรายการที่สองเราตัดปฏิฆะเห็นคำว่าปฏิฆะนี่คืออารมณ์เข้ามาทับจิตกระทบจิ ต, ต, จตไม่ใช่ความโลภไม่ใช่ความโกรธความเบาียบบัตรปฏิฆะยังไม่ทันจะโกรธไม่ยังไม่ทันจะพยบาบัตร พอาวาจาเขาเข้ามาประทัดจิตการกายเขาแสดงเข้ามาประทัดจิตว่าแสดงือความเป็นศัตรูหรือั่งแกล้งเราเราไม่ยอมรับอารมณ์นั้นทันทีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเมื่อเกิดมาในโลกมันย่อมต้องกระทบอารมณ์สองอย่างคือ น, นินทากับสันเสนถือว่ามันเป็นของธรรมดานินทาเราก็ไม่รับเฉยไม่มีความรู้สึก สั่เสญอน่าก็ไม่รับไม่พึงปรารถนาเพื่อถูกนินทาและถูกสั่เสริญมีจิตสบายสบายคือทรงตัวเป็นเอกคตาลงไม่รับทั้งสองอย่างเห็นว่าคําว่าเห็นคํานินทาว่ารายเป็นปกติธรรมดาผ่านไปดได้ฟังคําสัรเสริญก็พึงนึกว่านี่เขาต้องการเราเป็นทาสเขาจึงสั่เสญยกย่องเรา มันเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เราจะดีเราจะชั่วไม่ใช่อยู่ที่คำนินทานเฉิๆมันอยู่ที่เรารวบรวมกาลังใจของเราสุขตอนนี้อารมณ์ของเราจะส่งตัวทั้งเวลาหลับตาหรือเมื่อตาเห็นคนณลัตว์วัตถทุที่สวยสดก็งามแล้วก็เบินหน้าหนีรู้ว่าสิ่งแั้งหลายเหล่านี้มันสปกปรกจะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แอนาตา แล้วก็มีจิตไม่สนใจไม่รับสัมผัสใดๆจากคำนินทาและสงเสนอารมณ์ที่เป็นอิทธาารมณ์คนดีคืออิทธารมณ์ในกาอารมณ์ที่น่าปรารถนาที่ชอบใจอา น, นิธารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีอยู่ในใจของเรามีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์อย่างนี้ถ้าสรงตัวถือว่าเราเป็นพระอนาคามีนี่เป็นการอนุโลมและปฏิโลมในการปฏิบัติโดยรรมฐานเขาต้องทําแบบนี้ ฟังแล้วคนนาไปคิดไก่ควรคพิจารณาให้จิตมันทรงตัวตลอดวันทั้งเวลาหลิมตาและหลับตาจริงจะใช้ได้และพิจารณาว่าใจของเราทรงได้อันดับไหนเราทรงพระโสดาบันได้หรือยังเป็นพระสิกขาคามีแล้วหรือยังเป็นพระานาคามีได้หรือยังถ้าโสดาบันยังไม่ได้จงตั้งใจไปนรกตามความประสงค์ ล้วต่อต้นนี้ไปพระวันดาพุทธันพุทบริษัททั้งหลายพากันสร้างกายให้ตรงทำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามอธิยาสายที่กว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา